วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเดือนสิบสองเพนวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นวันพระใหญ่ เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันสิ้นปีในทางจันทรคติคือวันเดือนส2บสองเพนเป็นวันลอยกระทงวันนี้เป็นวันลูกหลานต่างถิ่นเขาก็ลอยกระทงกันแต่พวกเราเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันไหว้พระและก็สมาทานศีล และนั่งปฏิบัติธรรมไม่รู้จะสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกวัะสงสารนี้ไปถึงไหนถ้ามองดูตามเรื่องราวที่พวกเราได้เห็นเห็นรู้รู้คนนั้นก็แก่ให้เห็นคนนี้ก็เจ็บให้ดูคนนั้นก็ตายให้พวกเราได้ไปเผาไปฝังกันไม่รู้ว่า ความสุขของมนุษย์นั้นอยู่ที่ตรงไหนถ้าเรามาเปรียบเทียบเขาเราเราเขาเขาเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้จะเจอวันไหนอีกก็ยังไม่แน่อีกเหมือนกันเพราะนั้นเราถ้าจะว่าไปแล้วยืมวันคืนวันคืนเดือนปีเ ว, เวลาอยู่เท่านั้นหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ข้าจะอยู่เท่านั้น ปีเท่านั้นเดือนเท่านั้นวันไม่มีใครรับประกันตัวของพวกเราได้เพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วพวกเราเหมือนกับยืมยืมวันอยู่ยืมเวลาอยู่ชั่วขณะชั่วเวลาเวลาเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเราทบทวนดูแล้วเราก็ไม่น่าจะลืมตัวพยองพองตนว่าโลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ น่าทัศนาน่าสแสวงหาความสุขน่าจะพิจารณาว่าน่าจะรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เรารู้การเวลารู้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราจะไปในลักษณะอย่างไรน่าจะเรียนรู้รอบรู้ในจุดนี้จะดีกว่า เมื่อเรียนรู้แล้วเราจะได้อะไรเมื่อเราเรียนรู้แล้วดีกว่าไม่เรียนเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่ได้เตรียมตัวเพราะอยู่เป็นวันๆอยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกับน้ำเหมือนกับท่อนไม้อยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลเคว้งคว้างลอยไปลอยมาอย่างนั้นะ่ะแต่ถ้าเรามีจุดมุ่งหวังมีจุดมุ่งมั่นเราจะเดินไปจุดไหน เราจะไปในทางทิศทางไหนเอันนี้เมื่อเราได้ศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้แนวทางว่าเราจะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างไรเพราะหลักของพระพุทธศาสนาที่เราได้ศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ท่านตรัสบอกตรงไว้เลยว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้แหละเป็นจุดที่ พวกเราจะต้องศึกษาเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอย่างเดียวเท่านั้นหละพวกเราจะทำอะไรก็ทำได้ตามสบายแต่พวกเราไม่มั่นใจว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูตรอันนั้นเราต้องศึกษาค้นคว้าแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าตายแล้วเกิดแน่นอนอันนี้เราต้องเดินทางเลย ต้องเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเพราะเราเชื่อวลาตายแล้วเกิดเราจะต้องเก็บหอมรอมล็บเราจะไม่สนุกสนานกับโลกวัตะสงสารการเป็นอยู่เราจะมองโลกมองโลกมองธรรมมองการเป็นอยู่มองสิ่งรอบด้านเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราควรจะ เจ็บผอมรอมรีบ อ, อะไรเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดในจุดนี้อยู่เป็นเวลาเวลาอยู่เป็นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดไม่อ่านแต่ถึงวันนั้นเข้ามาถึงวันนั้นต้องมาถึงแน่นอนวันไหนที่จะมาถึงแน่นอนคือวันมรณะภัย มรณะภัยจะต้องมาถึงแน่นอนออันนี้คือเป็นของจริงของในโลกนี่เป็นอนนี้อันนี้จังของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายมรณะภัยนี่เป็นของจริงไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เป็นนิตจังของเที่ยงพูดอย่างนั้นได้เกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นทุกคนไม่มีใครที่จะได้เปรียบเสียเปรียบกัน เพียงแต่ว่าอายุยืนยาวตายเร็วตายช้าตนเองแต่ว่ามรณะภัยคือความตายนั้นไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้คือของเถี่ยงแท้แน่นอนสําหรับชีวิตที่เกิดมานี่แหละในเมื่อเรารู้เราเห็นเราเปรียบเทียบเขาเราอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันที่พวกเรามองที่พวกเรามองเห็น หมู่พวกเพื่อนแล้วก็วางคิดไปในอนาคตอีกมันก็คงจะแถวแนวนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเราจะเดินอย่างไรในวิถีชีวิตของเราจึงจะเป็นที่อบอุ่นจะเป็นที่สบายใจหรือว่าเป็นที่ตายใจหรือว่าเป็นที่อุ่นใจไม่ทุกใจ ในขณะที่เป็นอยู่หรือว่าคิดไปในอนาคตไม่ใช่ว่าพอคิดไปในอนาคตจิตใจห่อเหี่ยวไม่รู้เราจะเดินทางไงไปยังไงเดินยังไงในเมื่อถึงจุดนั้นไม่อยากจะคิดจิตใจห่อเหี่ยวอันนั้นแปลว่าเราเตรียมไม่พร้อมเหมือนกับเราจะไปเดินทางไปต่างประเทศถ้าเรากระเป๋าของเราแฟบ ไม่มั่นใจว่าเดินทางไปต่างประเทศจะใช้เงินมากน้อยแค่ไหนพอคิดไปต่างประเทศจะต้องได้เดินทางต่างประเทศนะภาคบังคับนะจะต้องไปนะเราก็เป็นทุกข์ในใจเพราะเหตุใดเพราะเรามีเงินน้อยแต่ถ้าเรามีเงินในกระเป๋าเต็มหมดมีเงินทั้งธนา ค, น า, คารกดเอทีองเอทเอม ทั่วโลกบัตรปลูดเอาไปใช้ที่ไหนทั่วโลกได้ถ้าเราคิดเราเตรียมพร้อมขนาดนั้นเราก็ไม่วิตกไม่กังวลถึงจะไปแล้วหรือเอาไปก็ไปแต่อยู่ที่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่รักษาธาตุขันไปแต่ถึงคราวที่จะไปแล้วเราก็ไปเราไม่วิตกไ ม, ไม่กังวลไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะเหตุใด พราะเราพร้อมถ้าไปต่างประเทศเราก็พร้อมที่จะใช้บัตร เ, เคดุงเครดิตอลูดเอาที่ไหนก็ได้เรื่องเงินเรื่องอาหารการบริโภคเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเราก็ใช้กินอย่างนั้นเราไม่พิจกไม่กังวลเพราะเหตุไรเพราะเราเตรียมพร้อมเราหาเงินใส่ธนาคารไว้พร้อมแล้ว นี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเตรียมตัวอย่างนั้นแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัตินี่แหละเป็นเรื่องที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าจะให้ทานอย่างเดียวอ น, นั่นทานก็ใช่เป็นเบี่ยงส่วนหนึ่งรักษาศีลก็ใช่เป็นการสํารวมกายวาจาส่วนหนึ่ง เคารพไวยวุฒิคุณวุฒิก็ใช่อันนั้นเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญเป็นกุศลของเราอีกส่วนหนึ่งแต่เรื่องจิตภาวนาในการทำใจจะทำยังไงใจของเราจึงไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาเวอ้างวางเงียบเหงาเศร้าซึมเราจะทำยังไงนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่าน ให้พวกเราท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายภพกษุสมัมเนทั้งหลายให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจให้เป็นผู้ใส่ใจค้นคว้าศึกษาถ้าเรายังค้่องใจตรงไหนที่เรายังไม่เชื่อตรงไหนที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราทดลองดูสิถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านอยากจะรู้ ว่ามันมีไฟไหมฮะในสายไฟนี้นี่นะต้องมีเครื่องดูจิ้มดูนะมันจะเป็นยังไงมันมีไฟไหมมีไฟฟ้าไหมมันจะซอดไหมเราก็มีเครื่องทดสอบแต่ถ้าว่าเป็นไฟธรรมดาเออมันมีไฟไหมเราเอานิ้วมือจิ้มขอดูโอ้มันมีไฟมันร้อนฮะอันนี้คื อ, คอ พิสูจน์ค้นคว้าศึกษานี่ก็เหมือนกันนะ่ะเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่ามาบุญคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีนะตายแล้วไม่สูญนะแถ้าว่าตายไม่สูญคำนี้ละถ้าว่าตายแล้วสูญนรกสวรรค์จะมีได้อย่างไรเพราะเหตุไรเพราะตายแล้วสูญแล้วอะไรจะไปสู่นรกสวรรค์ได้ ที่ว่าไม่ตายแล้วไม่สูนย์จุนี้แหละใจตรงนี้แหละจะไปสู่นรกจะไปศู่สวรรค์จะไปสู่สัตว์ยิรฉานจะไปตกนรกจะไปสู่พรมแล้วไปเกิดในภพภูมิต่างๆอย่างสัตว์ยิรฉานนับชนิดไม่ถ้วนที่พวกเราเห็นเห็นที่พวกเราไม่เห็นอีกตั้งเยอะแยะในต่างประเทศทั่วโลกทุกวันนี้โลกมันแคบออกมาเราจะไม่เคยเห็ น, นสัตว์ประเภทนี้ ประเทศประเภทไหนต่อประเภทไหนการเป็นอยู่ของแต่ละประเภทนั้นมันเป็นยังไงแต่ละสัตว์แต่ละจําพวกนี่แหละมีมากมายสัตว์ตวโลกทั้งหลายสัตว์ตวโลกทั้งหลายมีวิญญาณคือใจใจเกิดแต่คนก็ถามว่าคนก็สงสัยว่าทําไมสัตว์ตวโลกเหล่านั้นมาจากไหน มันขยายพันธุ์อย่างไรวิญญาณเหล่านั้นมันยังเกิดมาพระพุทธเจ้าทั้งบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยตามไปแล้วก็มันไม่มีที่สิ้นสุดไม่เกิดประโยชน์เราค้นคว้าศึกษาได้แต่ไปถึงว่าอาวิชชาปัจจยาสร้างคาราสร้างคาราปัจจยาวิญญาณนังใจดวงนี้มาจากความโง่คือเกิดมาจากตัวอวิชชาคือความโง่ คือตัวไม่รู้ถึงแต่จุดนั้นไม่เลยจากจุดนั้นไปอีกเพราะใจออกมาจากความโง่อวิชชาเกิดมาจากตัวอวิชชาคือความโง่ออกมาจากจุดนั้นแต่อย่าไปสนใจมันเถอะจะชำระได้แต่สมัยก่อนเราเป็นคนจนคนจนน่ะเกิดมาจากไหน เกิดมาเพราะความไม่มีปัญญาเพราะความโง่เพราะความโง่ไม่รู้จักจะหาทรัพย์อย่างไรแต่บัดนี้เราได้ศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการหาทรัพย์นัญหาอย่างไรการที่จะเป็นเศรษฐีนี่จะทําได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วแต่นี้เราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเราจะไปศึกษาว่าสมัยก่อนเราทาไมจึงจน เราทำไมจึงไม่มีอันจะอยู่จะกินแล้วจะทำยังไงเราจะไปสนสนใจในเรื่องการจนของเรานั้นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันเราไปสนใจเรื่องวิญญาณเกิดมาจากไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะพุทธเจ้า่าเกิดมาจากความโง่แต่บัดนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วเราได้รับการศึกษาเพราะพุทธเจา้าาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มี แล้วก็พร้อมที่จะเวียนไหวตายเกิดไปสู่ที่สูงที่ต่ำได้ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นมนุษย์ตลอดเป็นอนันตการไม่ใช่พร้อมที่จะเป็นสัตว์ที่ฉานได้อีกปิญญาดวงนิใจของเราเนี่ยถ้าเราทํากรรมชั่วมันก็ตกต่ำท่านเห็นว่ากรรมคือการกระทาทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วใจดวงนี้เพราะนั้นท่านจึงให้พุทธบริษัทของพระ อ, องค์หลีก ออกจากความชั่วอย่าไปทาอย่าไปคิดอย่าไปพูดในสิ่งที่มันชั่วถ้าเราคิดทำพูดในทางที่ชั่วแล้วพร้อมที่จะตกต่ำได้เพราะว่าใจดวงนี้มันออกมันปล่อยไปเครื่องพันธนาการเเหมือนกับเราอยู่ในใจแต่ถ้าเราไปฆ่าเขาไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ผิดกฎหมายพูดง่าย เขาก็พร้อมที่จะจับกายของเราเข้าที่กักกันที่กักขังถ่านเราไปพูดด่าเขาโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็พร้อมที่จะจับเราเข้าไปสู่ที่กักขังเพราะความชั่วทางกายวาจาที่เราทำลงไปนี้ก็เหมือนกรรมถ้าวิญญาณด้วยใจดวงนี้ถา้าเราทำกรรมชั่วด้วยใจกายวาจา ถ้าออกจากมนุษย์โลกไปแล้วตายไปแล้ววิญญาณดวงนั้นกกรรมที่กระทำไว้นะ่ะจะเข้ามาเป็นพาหะทือพาหนะนำดวงวิญญาณของเราไปสู่ความทุกข์ไปสู่นรกถ้าเราทำกรรมดีก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่พรมมีกติหลายๆอย่างพร้อมที่จะไปได้ทุกแห่งหดเพราะนั้นปลาด คุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่าโลกนี้เป็นโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกหาสวรรค์หาความชั่วหาคุกหาตารางหาความยากความจนใส่ตนเองก็ได้หาเป็นเศรษฐีหาความสุขสนุกสนานแต่ใส่ตนเองก็ได้หามักหาผลนิพพานใส่ตนเองก็ได้หานรกอเวจีใส่ตนเองก็ได้ โลกนี้เป็นโลกหาได้เป็นศูนย์กลางเพราะนั้นพวกเราจะหาอะไรใส่ตนเองเนี่ยแนหะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องคิดนะท่นี่เราจะหาอะไรเข้ามาสู่จิตใจของเราควรจะหาคุณงามความดีควรจะหามรักหาผลเพราะพวกเราได้ศึกษาได้พบธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ธรรมท่านวางแถววางแนวเอาไว้ เป็นแนวศึกษาคือแผนที่เขียนแผนที่ให้พวกเราเดินพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้กระชากลากถู อ, อจูงมือของเราะไปสู่มรรคสู่ผลไม่ใช่พระพุทธองค์เป็นเพียงแต่ อ, อ, อักษรตาโลตถาคตาเป็นผู้บอกทางชี้ทางให้พวกเราเดินเท่านั้นอย่างนี้ผิดนะอย่างนั้นถูกนะพวกท่านทั้งหลายนะไอผิดเนี่ไปทางชั่วนะ ไปทางทุกนะตกนรกนะไปเป็นเปรตนะอันนี้สุกนะพวกท่านทั้งหลายทําอย่างนี้นะอันนี้คือทางที่ถูกต้องนะอะอย่างสินห้าเนี่ยสินห้าถ้าพูเทุกองค์บัญญัติไปอันนั้นคือปิดทางอย่าทํานะจะทําผิดสินห้านะสินห้าเนี่ยตกนรกหมกไหม้นะถ้าไม่ทําองดเว้นไม่ทําไม่ผิดสินห้า นั้นไปสู่สวรรค์นะปิดอบัยวภูมินะรักษาศีลห้าได้แล้วแต่ถ้าว่าพวกท่านล่วงละเมิดศีลห้าฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมูสาดื่มสุราพวกท่านกติของพวกท่านบอกได้เลยว่าทุกกติเป็นที่ไปแต่ถ้าว่าพวกท่านงดไม่ทําล่วงละเมิดศีลห้าไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกรรม ไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงไม่ดื่มสุราไม่ขาดสติบอกได้เลยว่าพวกท่านต้องไปสู่สวรรค์อันนี้แหละคือพระพุทธองค์ท่านบอกไว้แล้วเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายลหลายหลายอย่างทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมทั้งได้ศึกษามากพอสมควรแต่พระพุทธองค์ท่านก็ตรัสไปว่า คำคำสอนของเราตถาคตเนี่ยส่วนลึกเข้าไปแล้วจะเรียนเฉยเฉยจะศึกษาเฉยเฉยจะเรียนเฉยเฉยรู้เฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์มีเปิดประโยชน์อยู่แต่ว่าไม่สําเร็จผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้จริงเห็นจริงจึงจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรมันก็จริงอย่างที่พระพทุทธเจ้าตรัส อย่างพวกเราไปเรียนวิชาแพทย์ก็ดีวิชาหมอก็ดีวิชาเกษตรก็ดีถึงจิตเรียนรู้ขนาดไหนแต่พวกเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราจะเห็นผลได้อย่างไรเห็นผลไม่ได้เพราะเหตุไดเพราะเราไม่ได้ลงมือท่านจัว่าปริยัติก็คือเรียนปฏิบัติคือลงมือลงมือกะระทําปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติถ้าว่าพวกเราไม่ปฏิบัติ ปฏิเวศจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีแต่ปริยัติอย่างเดียวและไม่ลงมือปฏิบัติเราจะเห็นผลไหมนี่แหละท่านว่าถ้าเรียนเฉยๆก็ยังไม่สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาถ้าเลยลงมือเมื่อเรียนรู้แล้วถ้าคนไม่เรียนทำไมคนไม่เรียนไม่ได้ศึกษาจะไปรู้ได้อย่างไร ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรอันนี้นรกอันนี้สวรรค์อันนี้พักอันนี้ผลที่จะดาที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อเราเรียนเราคนา้นคว้าเราศึกษาแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติก็ยังไม่ยังไม่ได้ส ำ, สำเร็จสมสมความปรารถนาต้องลงมือปฏิบัติ ด, ด้วย ในเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วนั่นแหะผลแห่งการปฏิบัตินั่นแ่ะจะเป็นรูปธรรมแล้วเป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้ว่าอันนี้เป็นยังไงปฏิบัตินั้นทำยังไงนี่แหละจะลงมือปฏิบัติแล้วนะเจพระพุทธเจ้าท่านสอนพระธรรมคาสอนของพระองค์นะั้นมากมายท่านก็พูดในแนวของท่านอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ทำท่านทำอย่างไร หลวงพอย้ำแล้วย้ำอีกนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าอันนั้นคือพุท ธ, ธะมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้จิตคิดปร่งฟุ้งไปทางอื่นให้มีสติสัมปชัญญะอันนี้คือพุท ธ, ธะที่เราได้ศึกษา จากนั้นมาถึงยุคของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราทีนี้อย่างยุคหลวงปู่มั่นท่านก็สอนจิตของท่านแล้วก็สอนอย่างหลวงปู่าจิตของท่านสอนพวกเราอีกจิ์ของท่านคืออะไรอย่างผมก็คือได้รับตั้งแต่เป็นสมัมมาณีมาก็คือหลวงปูล่ละก็เป็นจิตหลวงปู่มั่นโดยตรงออกมาจากหลวงปู่มั่น จากนั้นก็เข้ามาศึกษากระองค์หลวงตาก็ออกมาจากหลวงปู่มันแล้วก็ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่เราได้ไปกราบไปไหว้ได้ไปสัมผัสอย่างหลวงปู่ขาวอย่างนี้ยหลวงปู่บัวน้องแสงอย่างนี้หลวงปู่แหวนอย่างนี้หลายๆองค์ที่เราเข้าไปกราบไปไหว้หรือทำรรมาลิขิดในหนังสือของท่านในประวัติของท่านเดี๋ยวนี้ยั ง, ยงมีอีก ถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปแล้วธรรมเทศนาของท่านเสียงของท่านก็ยังอัดไวใ้ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษายังมีอีกเยอะแล้วจะให้ท่านสอนอย่างไรในวิธีการสอนของท่านนั้นแต่ถึงจะแปกแตกต่างไปบ้างแต่ว่าจุดหมายปลายทางนั้นคืออันเดียวกันคือทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่ง แต่บางองค์ท่านอาจจะพูดไปแนวแนวหนึ่งก็เหมือนกับเราสสแสวงหาทรัพย์คนหนึ่งก็ทำนาคนหนึ่งก็ทำสวนคนหนึ่งก็ขายของคนหนึ่งขายน้ำมันคนหนึ่งขายผลผิดทางกเกษตรมากมายแต่จุดหมายก็คือเงินคือเราต้องการได้เงินนี้ก็เหมือนกันถึงท่านจะภาวนาอย่างไรกรรมฐาน40่สท่านจะยึดอัไหนเป็นหลักที่ท่านได้ รับมรับผลหรือ ว, ว่าท่านได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นจุกกับกรรมฐานที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาท่านก็นําที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแต่ละองค์นั่นแหะเอามาพูดสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านแต่ว่าพวกเราประเมินหรือเปล่าประมวลออกมาแล้วก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมคือต้องการให้ทําจิตใจให้สงบแต่โดยมาก ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านก็พูดท่านก็บอกสอนลูกศิษย์ว่าอาณาปานสติเนี่ยอาณาปานสติเนี่เป็นกรรมฐานเกือบถูกกับทุกจริตเกือบถูกกับทุกจริตแต่ท่านก็ไม่ได้พูดว่าถูกกับทุกจริตนะท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นถูกเกือบเกือบทุกจริต ทุกจิติตนคืออะไรจริตนั้นคืออะไ ร, ร, ค, ออะไรคือบางคนเนี่ยชอบอารมณ์โมโหโกรธาพูดอะไรไม่ได้ฉุนเฉียวอารมณ์โกโรธอันนี้ท่านบอกว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าออกนะให้รู้ตัวเองเราโกรธไปเขาไปเพื่ออะไรเราได้อะไรเมื่อโกโรธไปแล้วมันมีอะไรให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย เราให้เห็นความใจของตัวเองให้เห็นความโกรธถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วจติตมันมามาหาตัวเองความโกรธนั่นก็เราจะได้ไขควรทบทวนวเราโกรธก็เพื่ออะไรได้อะไรมันเสียอะไรมันมีอะไรอันนี้ก็คือโทสะจริตโมหะจริตก็คือความหลงแค่ๆว่าลืมลืมลงหลง เอออันนี้เราก็กําหนดลมหายใจตั้งสติใหม่เราจะหลงทะเลาะทะลายไปยังไงเราต้องมีสติจะหลงธาตุหลงขันว่าเป็นของกีรังถาวร อ, อย่างนั้นเหรอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแน่เรามีสติอยู่กับตัวเองเราก็รู้พอจะรู้ได้ทลาฆาจริตเรารักสวยรักงามเราก็มีสติกําหนดลมหายใจเข้าออก เราก็อึง้งร่างกายของเราเนี่ยขนาดร่างกายของเราเนี่ยเราพิจารณาดูแล้วนะอีกสักวันหนึ่งนะเห็นไหมคนตายให้เห็นอีเากเขาเอาไปเผาไฟทิ้งทุกร่างถึงจะเสร็จสวยงดงามขนาดไหนก็เถอะเขาเอาไปเผาไฟทิ้งทั้งหมดใช่ไหมเอาไปเข้าไวในหงสุยทั้งหมดใช่ไหมเขาเก็บไปทั้งหมดใช่ไหมคนที่เสร็จสวยงดงามก่อนๆที่เราเกิดมานะี่เคยได้ยินไหม คนสวยคนงามสมัยก่อนในยุคของเรามีใครบ้างและต่อไปภายภาคหน้าก็จะมีอีกแล้วจะไปที่ไหนหมดพวกนั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกดูมีสติอยู่กับลมหายใจออกดูหรือพิจนารณาดูเราก็จะเห็นได้อีกว่าร่างกายสังขาร น, นี่มันคืออะไรละงับกิเลสลาคะลงได้อีกเหมือนกันลาคะดเจริตแล้วก็พุทธเจริตคือชอบคิด ชอบใช้ปัญญาหาเหตุหาผลอันนี้ก็คือไม่น่าเป็นห่วงพวกพุทธจริตแต่วิตกจริพผกวิตกจริญพอได้ยินอะไรออกมาแนละ้ววิตกคิดปุงฟุง้งอยู่ตลอดเวลาอันนี้แล้วววววิตกจริญอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าคิดคนประเภทวิตกจริญเนี่ยทําให้เป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆเหมือนกันนะ พอเขาพูดอะไรของคิดทั้งหวีทั้งวันอันนี้ว่าวิตตกจริตเมื่อมีวิตกเจริญมาเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกันกรองอารมณ์ของตนเองดูใจของตอนเองอันนี้ก็ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบอันนี้ไปว่าวิตกจริตสรุปแล้วก็คือกรรมาฐานที่หลวงปู่มั่นพูดว่าอนาปานสตินี้ เกือบถูกกับทุกจริตถ้าเรามาวิเคราะห์เป็นข้อแล้วก็มีส่วนและอีกอย่างหนึ่งเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าอ่าเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ที่โคลนต้นโพนะท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นล่ะคือกรรมฐานของพุทธะเพราะนั้นพวกเราให้ยึดกรรมฐานตามแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันเวลาเรานั่งภาวนาเรานั่งอยู่ตามลําพังหรือว่าเรามีเวลาว่างเราควรจะหาเวลาว่างให้ตนเองตลอด24ชั่วโมงนะ่ะเราไม่มีเวลาว่างเลยเหรอปล่อยไปทั้งโลกตลอดไปเลยเราไม่ให้ใจของเราพักผ่อนบ้างเหรอการภาวนาคือทําใจให้พักทําใจพักผ่อน ให้ใจของเราพักผ่อนคือการภาวนาแต่ถ้าเราคิดปุงฟุ้งอยู่ตลอดกางวันคิดตลอดเพราะกลางคนืนมันก็ยังฝันอีกแล้วเมอเพ้ออีกแปลว่าใจของเราไม่ได้พักผ่อนเลยทั้งปีทั้งชาติเกิดมาเท่าไหร่มิตรปุงตลอดใจไม่ได้พักผ่อนในเมื่อไม่ได้พักผ่อนใจก็ล้าอ่อนเพลียใจหมดกําลังอ่านี่แหละ หลักของพุทธศาสนาท่านให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือให้ใจพักผ่อนไม่ให้ใจฟุ้งปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกไม่ให้ใจคิดไม่มีเหตุไม่มีผลให้มันพักผ่อนใจพักผ่อนก็คือเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกบังคับนะภาคบังคับทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะให้ได้อย่างใจของเราอยากให้ใจของเราต้องการนึรอือยากทำซะก่อนค่อยทําไม่มีการ บ, างรบังคับเสเลยพวกเรานึกดูย้อนหลังก็แล้วกันสมัยเราเรียนหนังสือเราอยากจะเรียนใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเราะก็บังคับการงานหน้าที่การงานบางทีก็เหนื่อยแสนเหนื่อยแต่เราก็ไม่อยากจะทําแต่เห็นว่าเกิดประโยชน์เราก็ต้องบังคับให้ตัวเองทํา ให้ตัวเองออกมาให้ตัวเองเอพูดทเรรค็ดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้เราก็ต้องบังคับใจของเราให้พักผ่อนเพราะพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นว่าต้องบังคับให้ใจเข้าสู่ความสงบนะให้ยึดกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่ง ในสี่สิบในสี่สิบกรรมฐานนั้นให้บริกรรมแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ครูบาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวเอ่ยนามชื่อของท่านท่านว่าเนี่ยแหละพ่อแม่ครูบาจารย์มั่นสอนอย่างนี้นะให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโธนี่แหละ แต่ว่าการที่จะภาวนานั้นเราต้องหาหมุมสงบต้องหาเวลาให้ตนเองอย่างอย่างที่ได้กล่าววันหนึ่งยี่สบสี่ชั่วโมงเราหาเวลาสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมในยีสี่ชั่วโมงนั้น บ, บังคับภาคบังคับจากนั้นก็ปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ปิดไว้หมดจากนั้นเราก็นั่งภาวนาทําใจให้ ส, สบาย แต่ถ้าว่ามีโทรศัพท์อยู่อยู่ข้างๆมันดังขึ้นมาต่อไปกับวิตกกังวลในโทรศัพท์อีกปิดไปเลยในชั่วโมงนั้นใครจะโทรมาก็บอกอชั่วโมงนี้เวลาพักหยุดน่าจะโทรเข้ามา่ถ้าถึงมันจะรวยถึงมันจะจนชั่วโมงนั้นมันก็คงจะจนจะรวยมาก่อนหน้า น, นี้แล้วถ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็คงจะรวยมาแล้ว มันไม่โงงจะจนเพียงที่เรามานั่งภาวนาเพียงชั่วโมงเดียวสิ่งเหล่านี้เราต้องหาเหตุผลต้องหาปัญญาหักล้างกิเลสภายในใจของเราให้ได้ในเมื่อเราหักล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งนะสิบังคับมันมันจะชอบออกนะหกุดหลุดหลุกหลุกเพราะมันหาทางออกพราะกิเลสมันเคยหาทางออกอยู่แล้วพอนั่งเข้าไปเอ๊ะยังไม่ได้ทำอันนั้นเอ๊ะยังไม่ทําอันนี้เอออย่าอยจุดนั้นนะเนี่แหละ แต่ก่อนทำไมมันไม่ทับแต่พอนั่งภาวนาทำไมมันออกไปอย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะใจมันกระสับกระส่ายจิตใจของเรามันมันเออ ม, ม, มันไม่เอามันไม่ชอบแต่เรารู้ว่าเนี่ยนะไม่มีทางอื่นที่จะทำใจของเราให้สงบนิ่งได้นอกจากการบังคับแต่ที่เราเมื่อเราบังคับ จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละต่อไปเห็นคุนล่ะเทไงเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วใจของเราเห็นบุญเห็นคุณในความสงบมันขยันเองเทีงเมื่อเมื่อมันเห็นเออมันเห็นผลแล้วรู้แล้วออนอกจากทําจิตใจ อ, อ บ, บังคับจิตใจให้สงบแล้วไม่มีทางอื่นที่จะมีที่จะ ใจจะพักผ่อนได้มีแตบ่บังคับกําหนดลมหายใจเท่านี้แหละใจของเราจิตจะได้พักผ่อนเมื่อใจพักผ่อนเข้าไปแล้วทะนี้ใจสงบแล้วทะนี้นัตถิสันติปรังสุขขังเก้าใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีความสงบอื่นยิ่งความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละเวลาการนั่งนั่งยังไงนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขัดสมาดก็ได้ แต่อยู่ในมุมสงบแน้นมุมสงบอย่างพระกรรมฐานท่านให้ตะพายบาดแบกกรดท่านไม่ได้บังคับนะให้ส่อแสแงหาในที่สงบกูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆรุ่นนี้ก็เถ อ, อะถ้าว่าผู้ใดต้องการมักต้องการผลต้องการพ้นทุกข์แล้วต้องหามุมสงบภาวนาเข้าไปอยู่ภูผาป่าไม้ อยู่ในถ้าอยู่ในที่แจ้งอยู่ป่าช้าอยู่ในป่าโรงพงไพ่หลีกเล่นอยู่ตามลําพังอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมคุยกันถ้ามั่วสุมคุยกันแล้วนั่นแหะอารมณ์จะเกิดขึ้นมันจะหาความสงบหาความเยือกเย็นไม่ได้เดี๋ยวก็เอาเรื่องนั้นเ อ, อมาคิดมาปรุงอีกมาฟุง้งมาซ่านอีก เ, ออเพราะนั้นต้องหลีก หลีกหามุมสงบในเมื่อหามุมสงบได้แล้วก็นั่งสมาธิอย่างที่หนะลวงพ่อได้กล่าวหลวงผมได้กล่าวจากนั้นก็นพยายามนั่งให้นานให้ได้อย่างที่เราตั้งใจวหนึ่งชั่วโมงก็คือหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีก็คือสามสิบนาทีแต่ต้องบังคับอย่างน้อยเนะี่ยชั่วโมงหนึ่งนะต่อไปขยันเองถึง สองสามสี่ห้าหกชั่วโมงก็ได้เพราะเราไม่เชื่อว่าจะทำหน้าที่การงานทุกวีทุกวันไม่ใช่ใช่วงที่มันว่างมันมีอยู่ช่วงที่มันว่างเราก็ปล่อยปะละเลยไปในอารมณ์ต่างๆนี่แหละวิธีการที่เอาชนะใจตนเองหรือว่าปรับปรุงกายวาจาใจของเราเนี่ยที่จะเข้าสู่หลักธรรมะเนี่ยหรือว่าจริต ทั้งหกอย่างเราอยู่ในจิตไหนโทสะจริตโมหะจิตพุทธะจิตราคาจิตวิตกจิตอะไรบ้างวิจจิตของเราแต่ถึงยังไงก็เนี่ยให้กำหนดภาวนาให้ทบใจให้สงบเป็นพื้นฐานเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วตัว น, นี้ก็นำมาพิจารณา ทางวิปัตชนาวิปัตชนาก็คือค้นคว้าศึกษาว่ากายใจของเราไนี่มีอะไรบ้างอย่างกรรมฐ า, านห้าเกษาโลมานะขาทันตาตะโจนร่างกายของเราตั้งแต่หัวตั้งแต่ศีรษะจนจดฝ่าเท้าเนะี่ยอะไรคือของกิรังถาบอลเราเคยเห็นคนตายมาก่อนไหมเราตายอย่างเขาไหม ปู่ย่าตายายเคยตายมาก่อนแล้วใช่ไหมเราตายไม่เป็นใช่ไหมอันนี้แหละคือการทบทวนถามตัวเองถามใจของตนเอง เ, อเมื่อถามถามตัวเองมันก็รู้ออปัญญามื่จะเกิดทีละน้อยละน้อยเป็นการทบทวนจากนั้นก็เห็นตัวเองเนใจอในเมื่อเราจิตของเราก็สู่ความสงบเราจะแบ่งแยกได้เห็นได้ชัดเจนกายกับใจทีนี้ กายกับใจใจกับกายกายกับใจเห็นได้ชัดเจนเลยใจก็คือความรู้สึกนึกคิดร่างกายก็คือเนี่ยพวกเรานั่งเห็นกันอยู่นี่แหละและ้วใจก็ถามใจนะใจทำความเข้าใจกับใจร่างกายเนี่ยอีกสักวันหนึ่งนะใจนะจะต้องแตกสลายนะใช่ไหมใจขนาดร่างกาย ยังแตกสลายยังตายยังเอาไปเผาไฟยังเอาไปเก็บไว้หงซุยตายหลายหลายแนววิธีการตายมีจังมากบางทีถูกคนฆ่าตายหมกปา่าหมกตรงไปก็มีธรรมชาติฆ่าตายก็มีอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินทุกวันนี้ตายอย่างว่าใช่ไหม อีกสักวันหนึ่งเรามีส่วนที่จะตายอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมเหนื ใ, นใจใจก็จะรู้ยอมรับในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นได้ใจกายมันเป็นอย่างนั้นได้ขนาดกายตัวเองก็ยังตายได้ยังเอาไปเผาไฟทิ้งได้ยังเอาไปฝังดินไฟได้แล้วสิ่งอื่นล่ะใจ มันเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจยังยึดว่าเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจเงินคําทรัพสมบัติพัสดสถานลูกหลานพี่น้องเพื่อนฝูงยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจแต่ขนาดกายของตัวเองก็ยังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นยังเป็นของเรายังยึดว่าเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจอันนั้นแหละคือความทำความเข้าใจในใจในเมื่อทําความเข้าใจในใจแล้วใจ รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาอันไหนพอที่จะทำความเข้าใจพ้อที่จะรับรู้รับทราบได้ใจก็จะปล่อยวางเลยเริ่มปล่อยวางไปทีละน้อยละน้อยเลเพราะเราพิจารณาเอาหลักเหตุผลมาหักล้างใจคนตนเองจากนั้นพ อ, อจิตใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแท้ เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามานั้นนะ่ะคือกิเลสราคะบางโทสะบางโมหามัาง่งมันเกาะยึดในใจของเราจนมืดมิดปิดตาถ้าไม่ได้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มากันกรองไตรตรองชำระจิตใจแล้วเราจะมองไม่เห็นใจของเราเพราะนั้นต้องนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอนะ่ะมาทำความเข้าใจในใจใจนใจเอ ทำความเข้าใจจากนั้นใจก็เกิดความนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหะใจเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมจิตใจที่วาดจิตใจเที่ยงก็ไม่น่าจะผิดเพราะสิ่งความบริสุทธนั้นนิพพานังปรังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแนหะนิพพานนะ่ะเที่ว่าเป็นนิจจังเรือ ว, ว่านิพพานเที่ยงอก็เหมือนกับความตายอาความตายเนี่ยเป็นเป็นของเที่ยงอย่างนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าความตายเป็นของเที่ยงเที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาแต่ตาทยทั้งหมดเที่ยง อ, อันนี้คือความหลุดพ้นจะอาจ่านสภาวะกิเลส ไม่มาเวียนไหวตายเกิดจะวาเทียงก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะนอกเหนือจากโลกสมมติจะวาดเทียงหรือไม่เทียงอันนั้นจุดหมายปลายทางนั้นไม่มีไม่ให้ความสำคัญไม่มีอะไรกับโลกสมมุติทั้งนั้นเป็นอิจระเพราะนั้นผู้ปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ก็ยังสงสัยสนเทอยู่ ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การเป็นอยู่การประพฤติปฏิบัติตนการดำรงชีพให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติแล้วก็ให้ดูความนึกคิดเราจะยึดอะไรเป็นหลักทางด้านจิตใจ ใจของเราพิจารณาอะไรทำใจอย่างไรหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเป็นระดับระดับระดับแต่สรุปแล้วก็คือให้เชื่อว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกในเมื่อเราเชื่อว่าตายแล้วไม่สูนเราก็ต้องค้นคว้าหาเหตุผลนะจ๊ะแต่ถ้าเราบอกว่าตายแล้วสูน เราก็ต้องปฏิเสธเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องภพนาชาตินาแต่นี้เมื่อเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาตายแล้วไม่สูญเราทํำยังไงเราก็ต้องทําจิตใจให้สงบกับดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินจากนั้นก็ปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มัน ท่านให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทหาห ม, มุนสงบจากนั้นก่อนเนี่ยให้ดูใจของตนเองพอจิตใจรวมพอเรานั่งสมาธิจิตใจรวมเข้าสู่ความสงบแล้วจากนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนั้นอาศัยกันอยู่ในเมื่อเรารู้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่เราก็ทําความเข้าใจในใจใจเอ่ยใจ ร่างกายเนะี่ยมันเป็นยังไงนะเห็นไหมอดีตที่ผ่านมาใครบ้างความเสร็จสวยงดงามเขามั่งมีสีสุขขนาดไหนเขาจากโรคไปเฉยแม่ใจในอนาคตนะ่ยมันเอาเอ า, เอาอาดีตที่มาวิเคราะห์ดูแล้วอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเฉยแม่ใจปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นชฉยแม่ใจนี่แหละ แต่นีนเมื่อทําความในใจของใจใจของเราก็เห็นรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราก็สลัดกิเลสออกจากจิตจากใจใจของเราจะบริสุทธิ์หลุดพน้นนี่แหละธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาแในเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะเดินไปแนวแถวนี่แหละสรุปแล้วก็คือความสุขไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจมรรคผลอยู่ที่ใจ กิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ที่ใจแต่เมื่อชำละออกไปแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราไม่มีอะไรที่จะมารบกวนกิเลสราคะโทสะโมหะไม่เข้ามารบกวนไม่มาเข้ามาสู่จิตใจใจของเราก็บริสุทธิ์นี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติสรุปแล้วก็คือทาจิตใจให้สงบ ดูซะก่อนถ้าจิตใจเป็นกุญแจดอกแรกนะสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะญญคือความรู้ตัวนี่แหละกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดเข้าสู่มรรสู่ผลเปิดเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆได้คือกุญแจดอกนี่แหละถ้าคนปัมปมป่มปัมเป๋าเผอเบ้เอเบอขาดสติแล้วไม่มีทางที่จะเดินไปสู่ จุดหมายปลายทางได้เพราะนั้นคนที่ขาดสติคนที่ดื่มน้ําเมานั่นแหละเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเปิดไปสู่ความหายยนะคือตกนรกหมกไหมไปหาความทุกข์ยากลําบากคือคนขาดสติคือคนเป็นบ้าถ้าคนมีสติแล้วนั่นแหละสะติตัวนี้แหละจะไปเปิดไปสู่มรรคผลนิพพานหาเหตุหาผลอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควร สติสัมปชัญญะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายการพูดการกล่าวสมโมททัยกฐาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติแลตอนนี้ไปนั่งสมาธินาะทีินนะ